ทรงประชุมสงบ์มัญญิติกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประช um ุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวจริงหรือพวกภิกษุทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนัยภิกษุณีจึงข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวเล่าภิกษุทั้งหลาย